ความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลวงปู่วติยานในวันนี้ก็จะพูดเรื่องอุเบกขาบา ร, รมีต่อไปตอนนี้กำลังพูดในโครงสร้างของลักษณาดิจตุกะในพิธรรมมัทสังก하นะคือที่ท่านพูดถึงลักษณะกิจต่อไปนี่เป็นกิจกิจก็คือหน้าที่การกระทาคือสิ่งที่เขากระทา หมายความเกิดขึ้นมันทำปฏิกิยาต่อจิตยังไงแล้วก็จิตจะมีทัทีต่อคนอื่นยังไงท่านบอกว่ามีอันเห็นความเสมอกันเป็นกิจส ม, มรวจบาลีหน่อยนะฮะคือคือัออบมันก็ย่งงั้นน่ะสมภาวะทัศนรส า, าเป็นรถก็ได้เป็นกิจก็ได้แล้วก็คือสิ่งที่ที่เราสัมผัสคือกิจกิจก็คือหน้าที่ที่ทำปฏิกิยาต่อจิตเรา ทีนี้ความเสมอการจะเห็นชัดเจนนะฮะว่ามันสืบเนื่องมาจากเมตตาถ้าเราเมตตาไม่ได้แล้วเนี่ยอย่าลืมมาเมตตาเนี่ยมองสัตว์สรรพสัตว์เป็นอารมณ์เลยกรุณามองสัตว์ที่มีปัญหาเป็นอารมณ์มุติตามองสัตว์ที่ประสบความเจริญก้าวหน้าต่างๆรับยศสนเสริญสุขเนี่ยเป็นอารมณ์ที่นี้อุเบกขาเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากเรามองเสมอกันแล้ว ในที่เมตตาเนี่ยเป็นสะเพรตะตามาแล้วเพราะนั้นถ้าเรามองให้คนเสมอกันเสมอกันในฐานะเป็นมนุษย์เสมอกันในฐานะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันสมเสมอกันในฐานะที่เป็นปานะคือมีปร า, า, าณตามศิ่งข้ปานาติปตานั่นยแหละและเสร็จแล้ว้างเดินไปสู่เมตตาที่เสมอกันในสังคมเราเราเรียกร้องสมาภาพ คือความเสมอภาคกันหรือความเสมอกันแต่ส่วนมากพวกเรียกร้องเนะี่ยสร้างปัญหายุ่งที่สุดเลยให้ลองสังเกตเลยสังคมไทยหลายปมีมาสังเกตดูเวลามีการโดนขบวนประท้วงอะไรแต่อะไรเล่นรุนแรงเนี่ยอะไรละ่ะไอหิ้งสาโหสิปรากฏบ่อยที่สุดเลย อิงสาแปลว่าไม่เบียดเบียนนะฮะอโหสิแปลว่าได้มีแล้วหมายความว่าการไม่เบียดเบียนเนี่ยได้มีแล้วในขณะเดียวกันก็ด่าคนอื่นเปล่าเปล่าเลยทุบตีทําลายเผาทําลายเล่นอะไรรุนแรงนั้นก็แสดงอะไแสดงว่ามันมองไม่เสมอกัน มองตัวเองเป็นใคล้ๆกับสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างแล้วก็ถูกต้องหมดแล้วมองคนอื่นก็ตัวเองมีสิทธิที่จะทำลายนั้นคือปัญหาที่เราจนถึงก็มีการเรียกร้องแล้วก็บรรจุเข้าไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยลงาไปอ่านดูมาตราที่สี่อาตมางงตั้งแต่ต้นตั้งแต่อ่านนะเนี่ยยังคุยกยับ อ่ไล่ะปลกร่างและธรรมนูนในสสรเนี่ยสะสะอบอกว่ามันเขียนได้แต่เลือกภาพสนามไม่ออกศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เรื่องใหญ่นะฮะศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนียหมายความมาต้องเป็นจิตสํานึกของมนุษย์เองมันไม่ใช่คนอื่นมาคุ้มครองหรอกศักดิ์ศรีนี้ไม่มีใครคุ้มครองให้เราได้แล้วก็ใน คำโครงโบราณอย่างน้อยนี่สามแห่งนะแต่เราคุ้นๆจะแสดงเห็นว่าศักดิ์ศรีเนี่ยเป็นเรื่องที่เรารับผิดชอบด้วยตัวของเราแล้วการกระทำของเรานั้นเป็นการบ่งบอกถึงมีศักดิ์ศรีหรือไม่มีศักดิ์ศรีนะเช่นสมมติว่าเราไปฆ่าคนเนี่ยเราก็ทำลายสถานะผ่าความเป็นมนุษย์ของเราให้เราเป็นฆาตกระด ใครทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราก็เราเองไงแล้วเราไปรักทรัพย์เดี๋ยเราก็ทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราให้เป็นโจรหรือเป็นหัวขโมยแล้วก็รับราชการมาชื่อสัต์สุจริตมาถึงก็ลุ้นอำนาจแกโลภะไปยัก ork, ยอกไปขอรับชันแล้วก็กลายเป็นข้าราชการคอรับชัน ถามวาใครทําลายศักดิ์ศรีล่ะเราก็ทําลายเองไงเห็นไหมมนุษย์เนี่ยศักดิ์ศรีเนี่ยเป็นเรื่องที่คนทุกคนจะต้องรักษาแล้วก็ต้องป้องกันสมมุติว่าคนอื่นมาประทุษร้ายเราเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการประทุษร้ายชีวิตนะฮะไม่ใช่ประทุษร้ายศักดิ์ศรีกรมรักทรัพย์ของเราก็ประทุษร้ายทรัพย์ไม่ใช่ประทุษร้ายศักดิ์ศรีเพราะงั้น ข้ออื่นยั่ฟังได้เนะี่ยข้อนี้ฟังไม่ได้เลยเราจะมีคำโครงอยู่ในก่อนก่อนนานมโนโมอบพระผู้สวยสวร์แขนข้ามอบถวายทรงทันเทิดลาดวงใจมอบเมียขวัญแลแม่เกียรติศักดิ์ได้รักค้ามอบไว้แก่ตัวเห็นไ้ยคนนั้นต้องทำเองเกียรติศักดิ์ของพันไทยนรสิงห์ท่านเราทำของท่านเองเกียรติศักดิ์ของวีรชนทั้งหลายทั้งปวงนะ เยาะว่าเกิดจากการกระทำของท่านเองพยาจั ก, กรีที่เป็นทราบศึกให้แก่พมา่าตอนกรุงแตกครั้งที่ครั้งแรกเนี่ยก็ทาก่านกระทำลาสีก้นท่านเองเลยเสียดายนะะคือว่าชื่อเนี่ยเราก็ไม่เคยชัดเจนว่าชื่ออะไรกันแน่แต่ว่าชื่อก็พูดยากมันมีนามสกุล น, นั่นก็คือตัวอย่างที่ที่แสดงให้เห็นถึงในการมองเสมอกันเนี่ย มันจะต้องมีความชัดเจนแล้วก็ตามปกติเราก็มองกันไม่ได้อย่างเวลาเนี้ยเราลองสังเกตนะบางทีนี่ราชการเนี่ถูกกระทําย้ำยีเยอะโดยราชดร น, นั่นเองแล้วก็ถือว่าตัวเองมีศักดิ์ศรีเป็นเจ้าของแผ่นดินพูดเหมือนกับคนอื่นไม่เป็นเจ้าของแผ่นดินทุกคนเป็นเจ้าของแผ่นดินนะ แต่ว่าในขณะเดียวกันทุกคนเป็นผู้อาศัยแผ่นดินมันไม่ใช่เป็นเจ้าของแผ่นดินตลอดไปแล้วคนอื่นเข้ามาอาศัยเรามันไม่ใช่เราเป็นเจ้าของในฐานะผู้อาศัยอาศัยเหมือนอะไรเหมือนกับเราเช่าโรงแรมนะเราเข้าพักในโรงแรมห้องหนึ่งเราก็เป็นเจ้าของแต่เจ้าของในฐานะผู้อาศัยซึ่งเราก็ต้องจ่ายสตางคค่าเช่าเขาถ้าไม่จ่ายสตางมันก็ ต้องออกคือคือยังนึกถึงพระรูปหนึ่งตอนนี้ก็ตั้งตัอตายไปแล้วนะก็ชอบใจความคิดหรือ แ, แกจ ะ, ะเลี้ยงหมาเยอะแต่หมาก็เดินผ่านแกไปมันเป็นสี่แยกตรงนั้นเนะี่ยหมาเต็มเราก็คอยหลบมาแกคงเกรงใจแต่แกก็ไม่กล้าพูดตรงๆแกบอกว่า สงสารหมามันมันก็อาศัยวัดเราก็อาศัยวัดมันก็หากินไม่เป็นเราก็หากินเต็มเลยก็แบ่งให้มันกินบ้างบอกเออดีคุณเนียเข้าใจคิดเข้าใจคิดก็เราจเห็นว่าในแง่จริงๆเนี่ยทุกคนภายในวัดเนี่ยไม่มีใครใครเป็นเจ้าของวัดเลยในแง่ของความจริงเนี่ยแต่ละคนผู้อาศัยเพราะถ้าเรามองโลกโดยองค์รวมก็เหมือนกันมันไม่มีใครเป็นเจ้าของโลกเลย แต่ละคนผู้อาศัยโลกทั้งนั้นแต่ทำไมเราปรับให้เป็นผู้เสมอกันไม่ได้เพราะเราหลงอัตตาตัวเราเรานึกว่าเราใหญ่เราโตเราเป็นเจ้าของโลกเราเป็นผู้มีอำนาจแต่ที่จริงไม่นะแต่ละคนนั้นเล็กกว่าโลกหมดเลยประเด็นตรงนี้จึงจึงจึงไม่ใช่เรื่องทาได้ง่าย ถ้าจิตเราไม่ปรับเมตตา ม, มาก่อนแล้วเนี่ยจะรอมรับความเสมอภาคของคนไม่ได้เราเรได้ร้องคนอื่นได้นะให้ลองสังเกตว่ายิ่งพวกเอ็นทีโอั้งหลายนี้ที่ชอบเพลิงร้องทั้งหลายยอมรับสิทธิของคนอื่นหรือเปล่ายังหรอกใหญ่โตโมโหลานอะไนั้นแก็ไม่ใช่วันสองวันอ่ะสังเกตมันนานแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนอ่ะแต่เราก็ดูมาอะเมาเรื่องสนใจกิจกรรมเหล่านี้ตอนไปอยู่ต่างประเทศอยู่ที่อินเดีย เราไปยินฟังเลยนะฮะยินฟังมาตั้งหลายครั้งอ๋อสังคมมันเป็นอย่างนี้เองแล้วต่อมาก็ศึกษาติดตามข้อมูลเนี่ยนีอ่อ๋อก็เป็นกันอย่างนี้ทั้งโลกเลยคือเป็นคนพิเศษที่ทำอะไรไม่ผิดพอเขาเกาะกลุ่มกันได้เนี่ยเขาจะกลายเป็นมวลุนที่ทำอะไรไม่เคยผิดเวลาเขาเสน อ, ขอเขาเรียกร้องอะไรเนี่ยเขาเสนอ ให้การกระทำของเขานั้นไม่ถือว่าเป็นความผิดแล้วก็ถือว่าเขาอยู่ในเวลาทำงานก็ต้องให้เงินเดือนเขาแล้วในลณะเดียวกันก็ขึ้นเงินเดือนด้วยไม่ได้มองถึงงานที่จะทาให้เห็นไหมว่าเราไม่ยอมรับสิทธิที่เสมอการมันจึงเดินไปไม่ค่ได้แต่เราก็ได้ร้องสิทธิแต่เราไม่ยอมรับสิทธิที่เสมอกัน เพราะฉะันในใ น, ในรัฐธรรมนูญมาตราที่สี่เนี่ยภาคสนามแล้วเนี่ยมันเป็นไปยากเพราะว่าโดยโดยเฉพาะประเด็นแรกประเด็นแรกเรื่องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มันก็ในสยามารติอีกบทหนึ่งนะฮะเราจะเห็นว่าในบทสุดท้ายเนี่ยรักษัาจงจิตให้โลกสองสรรเสริญหรือว่า ในโครงพระนิพนรู้สึกเปล่ยนของสมเด็จพระเทพรักชาติยอมสละแม้ชีวีรักเกียรติจงเจ็ดพรีชีดใดเกียรติก็คือศักดิ์ศรีเห็นไหมว่าแต่และเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องรักษาเองแต่ีนี้การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นนะแล้วก็มีความรู้สึกต่อคนอื่นในรูปเสมอกันเนี่ยจริงๆมันทาได้ยาก แล้วเมืองไทยเนี่ยชอบคุยโม้อวดนะฮะว่าไม่มีวันลนะไม่มีอะไรและเมืองไทยเสมอว่างไม่นี่จริงฮนะคือหลอกตัวเองเมื่อวันๆนั่นเดงที่จริงมันมีชนชั้นมหาศาลมากๆเลยแม้แต่ภายในวัดเนี่ยมีชนชั้นไม่เล็ดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคือคือคอหังการระบังการมันก็ไม่เสมอแล้วพอมีชนชั้นปับ๊บยวไม่เสมอเลย การการกิตตรงนี้จึงจึงจึงกลายเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากถ้าไม่ปรับมนที่เมตตาให้ได้ก่อนเพราะเมตตาจึงเป็นสเปรย์สตายไม่เป็นปานาแล้วก็เป็นสเปรย์สตายเลยเป็นการยอมรับในสถานะของสิ่งมีลมหายใจเขาออ ก, ก็เสมอกันแล้วก็แผ่เมตตากรุณาเมตตาตามตรงควรแก่กรณีดังกล่าวแล้วจึงจะเกิดความรู้สึกเสมอภาคกันได้ แต่ไม่ใช่คิดเฉยๆนะฮมันจะต้องออกมาในรูปนรนกอนมันต้องออกมาในรูปที่เรียกว่าไม่สร้างความเดือดรอ้อนให้แกเขาโดยก่อนเพราะถ้าสร้างความเดือดร้อนก็แสดงเป็นเขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่พวกเรามันไม่เสมอละเรามีสิทธิจะเบียดเบียนเขานี่ก็แสดงว่าไม่ยอมรับสถานภาพของเขาเป็นความคิดที่ละบเมียละไหม่ มันตามปกติแล้วก็ไม่ค่อยออมาพูดกันเท่าไหร่เวขาเพราะว่ามันเอียงจังนะฮะสังคมเรานี่เอียงจังยังนึกว่าแม่แต่ระดับของผู้มีภาคมันเราก็มีใจไม่ค่อยเสมอกันเห็นไหมแม้แต่ความเป็นคนไทยในภาคต่างๆ้ะท่านลองสังเกตนะฮะสังคมสังคมเรานี่แหละไม่ต้องสังคมไหนหรอกแล้วก็สามารถจะดูได้แม้จากโทรทัศน์อะไรต่างๆ เคยสังเกตนะฮะว่าถ้าคนใช้แล้วต้องภาคอีสานหรือภาคเหนือหรือภาคใต้นะฮะภาคใต้น้อยหน่อยภาคอีสานนี่จะมากแล้วภาคเหนือก็รองลงมาภาคใต้ก็น้อยหน่อยนั่นก็แสดงว่าความคิดในการดูหมิ่นคนอื่นเนี่ยให้คนอื่นดํากว่าตัวเองไม่เสมอกับตัวเองเนี่ยมันมีอยู่ภายในจิตใจของคนแยกเป็นบันนอกเมื่อก่อนนี่มันรุนแรงมากกว่านี้เยอะนะฮะ มันเคยแสดงว่าสังคมมันมีปัญหาไม่ใช่เล่นติยาขับเคลื่อนก็ไปสู่ตรงนี้มันจะขับเคลื่อนยากแต่ถ้าเรามองปฏิปทาแบบพระโพธิสัตว์รเราเห็นว่าตอนที่ท่านเป็นพระเวสสันดรนะฮะมันอารมณ์วิกฤต์นะวิกฤตตลอดแต่ท่านไม่เคยวิกฤตเลยท่านมองเสมอกันหมดเลยทุกคนในเสมอกันหมดไม่โกรธแค้นใครไ ม, ไม่ไม่ใดขับแค้นกับใคร หรือบางทียญ่พวกพรามได้ตามขอตามตื้อขอจนจนไม่เหลือแม้แต่รถเนี่ยนะท่านก็มีความรู้สึกชุ่ชมท้่นเพราะอะไรเพราะท่านมองคนอื่นเนี่ยเป็นผู้ควรแก่การสงเคราะห์เป็นผู้ควรแก่การช่วยเหลือกึอ่งกูลแล้วความสุขใจของท่านมันก็มาจากความรู้สึกเป็นมิตรมาก่อนเห็นไหมตัวเนี้ยความรู้สึกเป็นมิตรมาก่อนแล้วมันจิตมันก็เดินไปได้ เพราะฉะ า, าเราดูในรัฐธรรมนูญมาตราที่สี่ต่อไปเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพเอเมนมนุษย์เนี่ยมันจะอย่างน้อยต้องมีเมตตาระดับยอมรับสิทธิเสรีภาพของการใน ก, ในกในันใดๆก่อนแล้วจึงจะสู่เมตตาได้เพราะถ้าเราไม่ยอมรับสิทธิเสรีภาพของการอะไรกันแล้วเนี่ยโอกาสที่จะกรุณาจะยาก มันไม่ต้องมุติตาออไม่จะต้องอเบคาหร อ, คอกครัโอกาจจะมุติตาก็ยากแสดงว่าเมตตาเองก็มั่งงน่นไม่มั่นคงดังนั้นทำยังไงจึงจะทำใจให้มีคุณธรรมระดับเมตตาเนี่ยมันแข็งแกร่งแลว้วพอเดินถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเสมอกันในแง่ของกรรม ในแง่ของธรรมชาติคือในแง่ของความเปลี่ยนมนุษย์ในแง่ของเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันในแง่ของความเป็นสัตว์โลกด้วยกันเป็นผู้อาศัยโลกด้วยกันแต่ว่าประการสําคัญที่สุดก็คือในแง่ของกรรมเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นตัวขจัดอาคติแล้วก็ไปมองไปที่ตัวคนเนี่ยเป็นหลักนะคนสัตว์เนี่ยเป็นหลักถ้าเรามองไม่เสมอนะครบางทีมันไปนเสมอกัน ในแนวที่แลายที่ท่านเล่าในาดกก็เล่าถึงปริหิตคนหนึ่งนะฮะแ ก, แกเดินผ่านมาที่สินชายสาลายเนม่งต้นไม้ด้วยสาลายเนี่ ย, ย, ล ย, ยและอีกามันถ่ายอุจจาระลงมหัวแกเปะพอดีเลยแค่นีกามากเลยแล้วพอดีเกิดโรงช่างไฟไหม้ ถูกช้างข้าวแกบอกว่ารักษาได้โดยการใช้น้ํามันของอิกาประชาชนสั่งไล่อิกาเพิ่มน้ํามันมารักษาช้างตายเยอะไปหมดเลยเห็นไหมฮะนั่นคือแกมองโกรธอิกาตัวเดียวแล้วตัวไหนก็ไม่รู้ด้วยแต่แกก็ไปมองเสมอกันในฐานะต้องฆ่าให้สิ้นเมืเม่อเมื่อก็ฮิตเลอร์ไปมองอยู่นะ มองยิวว่าเป็นบุคคลที่ตนเองควรจะฆ่าทำลายให้หมดมันก็มองเสมอเหมือนกันแตม่มองผิดมองเป็นศัตรูมันก็เป็นอันตรายเพราะงั้นถ้ามองอย่างนี้ต้องไม่ไม่มีความรู้สึกยินดียินร้ายถ้ายินดียินร้ายแล้วก็จะไม่เสมอเราจะมองในแง่นนเนี่ยปานะเนี่ยสัตว์มีลมาหายใจเข้าออกแล้วก็รือสเพสสตามาก่อนเพราะงั้นพอมาถึงสเพสสตาในบท บทเมตตานะฮะบทแฝงเมตตาเนะี่ยมาถึงบทบทเบิกขาถ้าจริงตั้งความรู้สึกว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอา่าเรามีกรรมเป็นของตัวเลียงเครียดในเราก่อนนะกรรมมสโกมีเี่ยเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นต่อพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็จะต้องเป็นผู้รับผลตองกับนั้นพอจับหลักตรงนี้ได้แล้วเนะี่ย ไปตึงก็ดื่มก็เหมือนกันนะฮะสาตร์ต่างหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามเขาจะต้องเป็นผู้รับผลกรรมนั้นเพราะงั้นเมื่อเขากระทากรรมแล้วเขารับผลของกรรมใจเราก็เป็นกลางไม่ไปอะไรล่ะแก้ต่างให้ไม่ไปอธิบายให้บางทีที่วุ่นๆเนี่ยเราลองสังเกตนะ ใจมันอุเบกขาไม่เป็นคือปฏิเสธกฎของกรรมปฏิเสธกฎของกรรมจนเลิดไปเป็นว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีตรงไปแล้วเคยเจอปัญหาคือตอนนี้มันเจอปัญหาเยอะเพราะว่าเวลาไปบรรยายที่ไหนเนี่ยจะเปิดโอกาสได้ถามปัญหาในช่วงหลังและปัญหาในรูปอย่างเงี้ยมันจะออกมา ออกมาในรูปของการปฏิเสธกฎของกรรมแต่ว่าเอาควาจริงแล้วเนี่ยเขาสับสนในประเด็นของกรรมเองเอาควาจริงกรรมคืออะไรก็สับสนแ่ะเอาผลของกิริยามาเป็นผลของกรรมอย่ายลืมว่ากรรมเนี่ยมันมันเป็นความรู้สึกภายในพระเจ้าทรงแสดงว่าเจตนาหัางปีกวีก็มังวาดามีดูก่อนวิสูตังไรเราเกิดเจตนาว่าเป็นกรรม เมื่เจตานามันเป็นนามธรรมเนี่ยผลกรรมจริงๆโดยตรงเนี่ยมันเป็นนามธรรมคือเป็นสุขอย่างที่ท่านแสดงไว้ว่าเนี่ยอกุศลธรรมมาธรรมที่เป็นอกุศลให้ผลเป็นทุกข์เกิดไฮะคือถ้อาประพฤติอกุศลทั้งหลายนี่ผลมันจะออกมาเป็นทุกข์นั่นคือผลตรงเลยอกุศลธรรมมาธรรมที่เป็นกุศลให้ผลเป็นสุขเขาแสดงว่าถ้าทําดีก็มีผลเป็นความสุขส่วนผลของกิริยาเนี่ยมันเอานิยายไม่ได้ เห็ไหม่สมมติว่าคนรวยคนรวยบางคนเนี่ยมันก็ค่าจาบ้าเอาได้มันค่าของเถือนเอาได้เยอะแหละถามว่าก็รวยไหมก็รวยนะแต่ว่าถ้าถามมาเขาเป็นสุกไหมเขาก็คงไม่สุกนะอะต้องคอยดลบลทอนทอนอยู่ตลอดแล้วไปไหนก็ต้องมีคนคุ้มกันดูแล จริงๆคนๆนเหล่านี้เขารู้ด้วยตัวเขาเองนะะว่าเขาไม่เป็นสุขหรอกแต่นั้นคือผลของกิริยาทัานถือผลของกิริยาแต่พอคนทําความดีนะฮะก็อาจจะรวยได้เหมือนกันประกอบสมาชีพเรียบร้อยถูกต้องแล้วก็ร่ารวยเขาก็มีผลเป็นความสุขแต่ว่าความร่ารวยนั้นเป็นผลของกิริยาการทํางานนะกิริยาการค้าอิเลอินกับการทํางานสมาชีพเนี่ยได้เงินเหมือนกัน มันไม่ได้แปลกอะไรแต่ว่าเจตนาตัวผลตรงเนี่ยมันจะเป็นสุขเป็นทุกข์ที่มีความชัดเจนและลองสังเกตว่าสมัยปัจจุบันในคนจะไม่กลัวเกรงกฎของกรรมมันเป็นเรื่องที่เราสะสมมานานและแม้แต่พระเราเองเวลาเนี้ยไหลไปตามกระแสซะเยอะนั้งซื้อทั้งหาอบมาเป็นเล่มๆ มันก็นมานั่งคุยกันระดับครูบาอาจารย์ด้วยกันจะทำยังไงจะแก้ไขยังไงเพราะเราเจอหนังสือที่บิดเบือนผิดเพี้ยนไปเนี่ยนะมันเยอะจนนึกไปออกว่าเราจะแก้ไขได้ยังไงแล้วเราไม่มีอำนาจไม่มีหน้าที่ด้วยพราในอิสระเสรีภาพนี่มันเป็นอันตรายนะเพราะคนที่จะ อยู่ยังมีอิสระเสรีจริงๆเนี่ยใจจะต้องไม่ตกอยู่ภายใต้ของอารมณ์ตัวเองอารมณ์ตัวเองก็คือที่จริงก็คือกิเลสนะดี๋ยวทีนี้เราก็เรียกร้องสิทธิเสรีภาพสิทธิเสรีภาพกันเนะ้วก็ทําอะไรกันตามชอบใจต่อไปนี้จะหนักกว่านี้นะเราเห็นว่าพระราชบัญญัติที่เกีย่ยวกับสื่อต่างๆออกมาและจะหนักมากกว่านี้ ทั้งคนจะสับสนมุ่นวายกันอีกเยอะเลยและสุดท้ายมันไม่รับผิดชอบไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเพราะการทำใจที่มองง่ายๆเนี่ยมีความเสมอกันเนี่ยมันจะต้องฝึกจิตพัฒนาจิตมาถึงจุดหนึ่งที่มีปัญญาเป็นหลักที่คุ้มคองใจรูเบค้าจึงแปลว่าเพ่งดูแล้วก็ ทำใจให้เสมอในสัตว์ทั้งหลายไม่มีความรู้สึกแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราเป็นพวกเขาถ้าจะเป็นก็คือเรากับพวกเราถ้าอยู่ตรงนี้ได้นะแต่ในพวกเราต้องเสมอกันว่าเป็นพวกเราเสมอกันไม่ว่าไปกำหนดเงื่อนขายรายละเอียดตามความใกล้ชิดตามผลประโยชน์ที่จัดสรรกันถ้าอย่างนั้นก็เอียงอีกอลงไม่ได้ อุวเวขาจริงๆเมื่อเกิดขึ้นภาในจิตเขาก็จะทำหน้าที่ขจัดความลำเอียงออกไปใจก็จะมองคนมองสัตว์อย่างเสมอเหมือนกันตามในฐานะเป็นองค์รวมคือเป็นสัตว์เป็นสเปสัตาร์สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยแต่ละคนก็เป็นไปตามกระบวนการแห่งกรรมดั่นกทั้งฟังท่าไห การอบรปฏิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นตอนนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไปบุญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี